มีใครต่อบไหมหลวงพ่อเคยเมื่อวานก็มานึกคําคําหนึ่งเนาะบางทีสิ่งที่เอาสุขะเนี่ยพวกเรานี่เนาะได้ประสบพบมาแล้วเนี่ยแต่มาอธิบายในสิ่งที่พบที่เห็นเนี่ยให้มันเป็นให้คนอื่นเข้าใจตามเนี่ยมันยากมากเอาหลวงพ่อพูดถึงเรื่อง<ม>เรื่องเกลือเนี่ยเพราะว่าวันสองวันเนี่ยพูดถึงเกลือพูดถึงเกลือเนาะมีถามว่าเค็มหรือไม่เค็มอะไรแล้วแต่แล้วก็ตอบกันต่างๆนานาบางคนบอกว่าเกลือเค็มบางคนก็ตอบว่าเกลือไม่เค็ม อันนั้นก็แล้วแต่เป็นเป็ น, เ, ปนเขาเรียกว่าเป็นแต่มุมมองนะมุมมองแบบไหนถ้ามองแบบแบบจําได้ทุกคนก็บอกว่าเกลือเคม็มแต่ถ้ามองเป็นปัจจุบันขณะนะเขาเรียกว่าในขณะปัจจุบันขณะตอนนี้เกลือเค็มไหมผู้นั้นก็บอกว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เคม็มรวมแล้วมันก็โอเคมันก็อยู่ที่ว่าจะเอาความรู้แบบไหนมาตอบถ้าความรู้แบบจํามาตอบ บอกว่าเค็มเออมันก็ถูกอ่ะเพราะว่าใครก็จําได้เนะเพราะว่าคนที่ชิมเกลือมาแล้วมันก็ต้องต้องเค็มแล้วก็จําได้ว่ามันเค็มแต่ถ้าตอบแบบปัจจุบันขณะเดียวนี้ตอนนี้หลวงพ่อก็ยังเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้ไม่เค็มหลวงพ่อก็ยังไม่เค็มเพราะว่ามันไม่เค็มจริงๆไงเออเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องเกลือก็พูดไปเถอะแต่ตอนนี้หลวงพ่อไม่เค็มนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่อง มุมมองของเป็นปัจจุบันขณะว่าเออมันไม่มีมันไม่ได้รับไม่ได้ผัสสะไม่ได้กระทบกับลิ้นมันไม่ได้เกิดวิญญาณการรับรู้ทางลิ้นมันก็ไม่มีไม่มีอาการไม่มีรสชาติอย่างนั้นอ่ะทีนี้มันมีอีกมุมหนึ่งที่หลวงพ่อพยายามเทียบเคียงกันว่าเอาสมมติว่านะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้จับจักรู้เป็นผู้ผู้เห็นสัจธรรมขั้นสูงสุดกันแล้วสัจธรรมแท้ หมายถึงว่าท่านพบด้วยปัญญามาแล้วเนี่ยแต่การที่ท่านพบมาแล้วและก็มาบอกคนอื่นเพื่อให้รู้ตามให้เห็นตามเนี่ยจริงๆอะมันมันยากมากเพราะว่าการไปพบไปเห็นเนี่ยพบเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจตังเท่ากับว่าพบแล้วรู้แล้วเห็นแล้วแต่พอมาอธิบายคนอื่นเนี่ยมันภาษาเขาเรียกว่าเอาบัญญัติมาพูดเอาสิ่งปรุงแต่งเนี่ยเอาคำพูด เอาอะไรมาประกอบกันเนี่ยเพื่อสื่อสารให้คนอื่นฟังและก็เข้าใจแต่จริงๆการบัญญัติไปแล้วการพูดไปแล้วอันเนี้ยมันยังไม่ใช่สัจธรรมสูงสุดมันเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นอ่ะมันจึงยากเลยก็บางครั้งบางคราวท่านก็เลยใช้อุบายเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยนะเพื่อให้มันพอที่จะเห็นภาพอ่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้คล้อยตาม ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ฟังเข้าใจแล้วก็ไปเห็นเหมือนกับว่าไปเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าอุปมาอุปมไมยแล้วสุดท้ายเนี่ย<ม>ผู้ฟังคนนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเห็นไปพบอย่างที่พระพุทธเจ้าพบแล้วได้แต่พออธิบายต่อให้คนอื่นฟังอีก คนที่ไปอธิบายอีกก็ต้องใช้ภาษาของตัวเองอีกเนาะว่าสิ่งที่ไปพบมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายด้วยภาษาพูดอีกคนอื่นก็เข้าใจยากแต่อาจจะมีคนเข้าใจได้เหมือนกันอีกอ่ะทีนี้มาเทียบกับเกลือนโยมสมมติว่าตอนนี้ในห้องครับนะเรามีกันเกินสิบคนแหละเอาทุกคนหลวงพ่อเชื่อว่าได้มีประสบการณ์ในการสัมผัสคือชิมเกลือมาแล้วแล้วภาษาสมมุติเขาเรียกว่าเค็ม ทีนี้ลองสิบคนเนี่ยลองอธิบายสิว่าไหนเค็มของคุณมันเป็นยังไงหลวงพ่อเชื่อเลยว่าทุกคนพูดไม่เหมือนกันแต่มันไปในทิศทางคล้ายๆกันว่าเออความเค็มอ่ะคืออย่างนั้นอย่างนั้นแต่คําพูดอ่ะมันมันไม่ใช่เหมือนกันร้อยเปอร์เซนตย่างสมมติสมมติว่าหลวงพ่อจะพูดความเค็มให้โยมฟังนะ <laughs> เค็มที่หลวงพ่อเอ า, เอาเอ า, เ, อาเอาเอาออกเกลือมาสัมผัสที่ลิ้นอ่ะมันเค็มอ่ะหลวงพ่อต้องอุ ป, ปมาอ่ะแบบนี้ไง มันเค็มอะคือมันไม่ใช่หวานมันไม่ใช่เผ็ดมันไม่ใช่เปรี้ยวมันไม่ใช่เออปู๊เปรี้ยวหวานมันเปรี้ยวหวานมันก็แล้วกันเนาะมันไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เค็มเนี่ยมันเป็นรสชาติที่แบบเมื่อสัมผัสแล้วนี่มันจะทําหน้าทําตาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องแสดงหน้าให้ดูเนาะแบบเค็มปี๋ปี๋ทำหน้าย่นหน้ายี้เนาะแล้วก็เลียปากแแม่แม่แบบแผลบแผลบแผลบเงี้ย เพราะนนเนี่ยหลวงพ่อรู้จักถึงแม้ว่าหลวงพ่อประสบกับความเค็มแล้วแต่เอาความเค็มมาอธิบายเนี่ยคนที่ไม่เคยสัมผัสเกลือเลยอะ่ะยมดูสิว่าเขาจะเข้าใจได้ยังไงอะ่ะมันเข้าใจไม่ได้แต่คนที่พอจะเข้าใจได้คือคนที่สัมผัสความเค็มมาแล้วแล้วก็เทียบเคียงคําพูดของหลวงพ่อเอาว่าอ๋อที่หลวงพ่อพูดถึงความเค็มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนั้นอ๋อมันเป็นอันเดียวกับที่เราเจอมาแล้ว แต่ถ้าเราพูดเนี่ยเราอาจจะไม่พูดกับไม่เหมือนหลวงพ่อก็ได้แต่ไอ้ตัวปรมัติอ่ะตัวความเข้มจริงๆอะเอออย่างงั้นแหละก็เลยแต่คนคนนั้นก็ต้องไปพูดอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นภาษาของเขาเนาะอ่ะทีนี้หลวงพ่อก็มาพูดถึงเรื่องเนี่ยเรื่องธรรมะเนี่ยเอาสมมติว่าอาจารย์พลอยปฏิบัติธรรมมาเนาะเข้าถึงสภาวะธรรมที่เรียกว่าของจริงนิ่งเป็นใบเป็นธรรมชาติรู้นะรู้อย่างพุท ธ, ธะหรือว่า จิตเดิมแท้หรือจิตดั้งเดิมเนี่ยซึ่งเป็นมีแต่คุณเขาเรียกว่ามีแต่คุณสมบัติคือรู้อย่างเดียวไม่มีปัจจิกิยาอย่างอื่นไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเออ่ไม่ได้มีสว่างสะอาสไม่หมายถึงว่าไม่ได้เป็นอย่างนู้นไม่ได้เป็นอย่างนี้อาจารย์พลอยก็ว่าไปแต่คนถ้ายังไม่รู้จักไอธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งนะที่มันเรียกว่าไอ้บเราอธิบายเท่าไหร่เขาก็เข้าใจไม่ได้หรอกแต่ถ้าผู้ที่ไปผ่าน ไอ้ตรงนี้มาแล้วแล้วก็ไปเห็นมาแล้วแล้วก็มอีอาจารย์พลอยได้อธิบายเทียบเคียงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นปับ๊บเออเจ้าตัวก็ลงแก่ใจได้ว่าเออมันสิ่งเดียวกับอันนี้แหละมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ภาษาที่พูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่ะทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยโยมลองดูนะว่าเนี่ยในห้องเนี่ยที่หลวงพ่อพูดอารมณ์บางอย่างนะอาการบางอย่างสิ่งที่ถูกรู้บางอย่างเนี่ยโยมมีอยู่แล้วโยมประสบพบอยู่แล้วพอพูดอย่างเนี้ยโยมก็เข้าใจได้ถูกไหมละ่ะ แต่บางอย่างมันมีเหมือนจริงๆมันมีอยู่แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่พบมันหรืออาจจะพบแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจมันก็เลยเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ได้หรือว่ายังเข้าใจที่อาจารย์พลอยพูดไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้แหละคือเหตุที่ว่าญาติโยมบางคนอาจจะไม่ไม่เคยฉเฉลียวใจหรือไม่เคยพบเห็นก็เลยไม่รู้จักแต่บางคนอาจจะเคยพบเคยเห็นแล้วก็เลยรู้จักก็จะเะ อ, อ๋อก็คือสิ่งนั้นนั่นเองนะ ออทีนี้พอเป็นอย่างนี้หลวงพ่อพูดถึงไอ้บ่าสักสักอย่างหนึ่งนะไอ้ที่มันเป็นบ้า mind, แต่มันไม่พูดอะไรแต่มันมีความรู้นะหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้สิ่งที่จะให้เข้าใจได้เนี่ยมันจะต้องรู้เราถ้าเราไปรู้สิ่งอื่นเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เช่นเราไปรู้เราไปรู้อะไรนะเช่นสมมติว่าเราไปรู้เรื่องประวัติพระพุทธเจ้านะสมมติว่าอ่านพระพุทธเจ้ามายเยอะอ่านแต่ประวัติอย่างเดียวไปเอาหนังสือมาอ่านอ่านอ่านอ่าน อย่างเนี้ยเมื่ออ่านแล้วเราก็มีความรู้นะเราก็มีความรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยจะเข้าใจเรื่องรู้เราไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวเราไปเป็นผู้รู้เสียแล้วแต่การที่จะพบไอบ้ใบนะหรือว่าพบธรรมชาติที่มันรู้เราที่มันพูดไม่ได้เนี่ยมันจะต้องรู้เราคือมันไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้ ทีนี้หลวงพ่อมาพูดซ้ําในเรื่องที่เคยพูดแล้วเผื่อบางคนฟังซ้ําๆรอบแรกไม่เข้าใจรอบนี้อาจจะเข้าใจอเอาเป็นนี้นะปัจจุบันขนาดเลยเนาะปัจจุบันขนาดเดี๋ยวนี้ตอนนี้หลวงพ่อพูดแบบนี้เลยนะว่าในห้องคลับเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะมีเอาสถึงว่าะะเป็นสิบคนก่อนแล้วกันสิบคนอาจารย์พลอยก็รูปหนึ่งละ่ะแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่ามีอยู่ อ่าแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อออสเนที่กำลังพูดอยู่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ก็มันก็สร้างมโนเป็นภาพไปแล้วไงเป็นภาพหลวงพ่อก็มีอยู่อ่าแล้วก็มีในเนี้ยมีโยมเอ็กมีโยมวัดมีอะไรนี่นะตามตามโปรไฟล์ที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็มีอยู่มีอยู่มีอยู่ไอที่รู้เนี่ยถ้าสมมุติว่าหลวงพ่อเนี่ยไปรู้คนอื่นคนอื่นอย่างนี้เท่ากับว่าหลวงพ่อเป็นผู้รู้อยู่ แต่ถ้าจะให้พบไอบ้ใบน่ยไอ้ที่มันรู้แล้วมันไม่พูดเนี่ยคือมันรู้เราคือรู้ตัวหลวงพ่อมันรู้ยังไงอ่าในเมื่อในเมื่อนะตอนเนี้เดี๋ยวเนี้ยมีคนอยู่ในห้องครับเนี่ยใช้คำว่าห้องครับเนาะเกินสิบคนแต่มันรู้ตัวหลวงพ่อได้อะว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่เนี่ยที่อยู่เข้ากลุ่มมาคุยกันเนี่ยมันรู้หลวงพ่อได้อะตรงนี้ชี้จะเห็นว่าหลวงพ่อเป็นสิ่งถูกรู้ แต่ไอธรรมชาติที่มันรู้หลวงพ่อมันไม่ใช่หลวงพ่อแต่มันรู้หลวงพ่อได้ไงถ้าไม่รู้หลวงพ่อได้จะรู้ได้ไงว่ามีหลวงพ่ออยู่นะมันรู้หลวงพ่อได้พอรู้หลวงพ่อได้แน่นอนนี่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วว่าเออมันรู้เราอยู่แต่ว่าไอรู้เราอ่ะไอรู้เรามันไม่มีตัวรู้แล้วมันก็ไม่เคยพูดอะไรเพราะตัวที่พูดคือตัวหลวงพ่อเป็นคนพูดแต่ตัวที่มันรู้เราอ่ะมันไม่มีตัว มันนิ่งเงียบอยู่มันสงบส ง, งัดเนี่ยหลวงพ่อก็ไปพูดเรื่องมันอีกแล้วแต่มันเพาะมันก็ไม่เคยพูดเรื่องหลวงพ่อเลยอะหลวงพ่อก็อธิบายเรื่องไอ้ไอ้ใบ้อ่ะไอ้ที่มันไม่พูดอ่ะหลวงพ่อเป็นคนรู้รู้เรื่องมันแล้วหลวงพ่อก็พูดถึงมันแต่มันก็ยังใบ้อยู่ดีมันก็ไม่เคยพูดอะไรเนี่ยทีนี้พอหลวงพ่อพูดแบบเนี้โยมรู้ตีว่าถ้าคนที่ <laughs> เห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างเนี้ยแล้วเนี่ยจะเข้าใจแต่ถ้าคนที่ยังเห็นตัวเองไม่ได้อ่ะยังรู้ตัวเองไม่ได้เนี่ยยังไงก็ไม่เข้าใจเออมันก็เป็นอย่างเนี้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นมากเลยบอกว่าให้รู้ตัวเองให้เป็นนะถ้ารู้ตัวเองเป็นแล้วต่อไปเวลาคุยธรรมะขั้นสูงเนี่ยใครจะพูดมุมไหนแง่ไห น, หนมันจะเข้าใจหมดแหละทออนีอ่มาถึงกันนี้แล้วเดี๋ยวใครจะแสะดงความคิดเห็นยังไงไหมอามียอม เทักวิสังนะครับกลัมนมัส ก, การครับหลวงพ่อก็เมื่อกี้ฟังเรื่องที่หลวงหลวงพ่อเล่ามาเนาะผู้รู้รู้เรากับเรารู้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อให้ให้คําแนะนําเนาะก็คือฝึกฝึกรู้ตัวก่อนแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองครับว่ามันรู้สึกว่าเราหลงน้อยลงครับ อันนี้อันนี้ก็รู้เราอยู่นะครับยังอยู่ในสภาวะรู้เราอยู่ก็เลยอยากอยากให้หลวงพ่อชีแนะนะครับว่า อ, อควรจะต้องปฏิบัติยังไงต่อดีเพื่อเพื่อที่จะให้เราเขาเรียกอะไรมีความก้าวหน้าในด้านปัญญาเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการดูใจรักษณ์ก็ได้นะครับอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับประมาณนี้ผมก็สนใจที่จะปฏิบัติ เดินปัญญาด้านนี้อยู่ครับก็เลยยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงดีฟังหลวงพ่อมามาไหลามาหลายตอนเหมือนกันที่พูดถึงเรื่องเนี้ครับ ก, ก็ประมาณนี้ก่อนครับอนนะเป็นปัจจุบันตอนนี้นะแต่จริงๆอ่ะปัจจุบันเนี่ยมันมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ทันหรอกเพราะว่ามันผ่านไปเร็วมากแต่ว่าเอาเอ า, เอาที่พอที่จะเป็นภาษาสมมุติภาษาสื่อที่จะพอให้รู้เรื่องอันน่ะอย่างสมมุติว่าเมื่อสักครู่เนี้ย ตอนที่อสมุทรหลวงพ่อจะเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นการที่จะปฏิบัติ ต, ตรงที่โยมถามะว่าจะทํำยังไงส่นวนมาเริ่มต้นจากตอนที่โยมยังไม่พูดอะยังไม่ถามเนาะยังไม่กดไม้นะสุมาตราตอนนั้นรู้ตัวอยู่รู้ตัวว่าตอนเนี้ยยังไม่ทําอะไรคือยังไม่พูดให้รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวทั้งตัวเองทั้งตัวเนี่ยยังนิ่งนิ่งอยู่ยังไม่พูดตอนเนี้ยแล้วมันก็จะรู้ตัวเราได้ว่าเราเนี่ยเงียบอยู่เห็นไหม มันจะรู้ตัวเราเลยว่าเราเนี่ยยังไม่ยังไม่พูดแล้วก็พอยังไม่พูดเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่ไงนิ่งอยู่เสร็จมันก็ยังรู้ตัวเราอยู่ดีว่าเราเนี่ยยังไม่พูดอ่ายังไม่พูดคือยังไม่พูดออกทางปากเนาะยังไม่พูดแล้วก็ก็ดูเล่นๆไปอย่างเนี้ยดูอย่าเพ่งนะคือแบบแบบสแบายสอะ่ะเออแล้วก็มันก็รู้เราอยู่ดีว่าเรายัางไม่พูดออกมาทางปาก เห็นไหมมัน like ชัดเจนไงชัดเจนว่าเมื่อไม่พูดก็รู้ว่ายังไม่พูดเออมันชัดเจนแต่ที่มันรู้อ่ะมันไม่ได้พูดอะไรหรอกว่ามันรู้แต่ตัวที่จะพูดได้นี่คือตัวเราต่างหากพูดว่าเช่นอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี้ยตัวเราเนี่ยเป็นผู้พูดแต่มันอ่ะมันรู้เรามันไม่ได้เป็นผู้พูดว่ามันเข้าใจหรือมันไม่เข้าใจแต่ตัวเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราพอตัวเราเข้าใจตัวเราก็จะพูดว่าเข้าใจแล้ว แล้วพอเราพูดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็รู้เราทีนี้ก็ผ่านไปเอง ก, ก็นั่งเฉย ๆ, ๆเราก็นั่งเงียบช่วยเฉย ๆ, ๆแล้วก็ต่อมาเราก็คิดในใจเราไม่ได้พูดให้คนอื่นรู้เนาะเราคิดในใจว่าโอ้ไอตัวรู้เรานี่นามันเป็นอย่างนี้เองเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเราพูดอีกแล้วกลายเป็นเ ร, เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พูดแล้วมันก็รู้เราอีกว่าเราเนี่ยพูดในใจแล้วพูดว่าแบบนี้ อาแล้วต่อมาเราก็หยุดพูดในใจแป๊บหนึ่งจริงๆมันก็รู้เราแล้วแหละว่าเราหยุดหยุดพูดในใจเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็เดินหน้าไปเรื่อยมันก็พรุงแต่งไปเรื่อยอีกสักหน่อยมันก็จะพูดและตัวเราจะพูดเราเป็นพูดออกเสียงบอกเออทั้งนั้นเดี๋ยวฉันพูดออกเสียงม้างดีกว่าแล้วก็พูดหนึ่งสองสามสี่าหก็แปเก้าสิตัวเราพูดออกเสียงแล้วมันก็รู้เราอีกว่าเราเนี่ยพูดออกเสียง ตรงนี้หลวงพ่อชี้ให้เห็นเลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยนะไอ้ตัวเราเนี่ยมันพูดได้มันคิดได้มันแสดงท่าทางกิริยาอาการใดๆได้หมดเลยแต่ไอ้ตัวที่รู้เราอะมันไม่มีตัวมันได้แต่รู้เราทุกอย่างทุกเรื่องแต่มันไม่เคยพูดสักอย่างหรือว่ามันรู้อะไรบ้างเขาจึงเรียกว่ามันนิ่งของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้อ่ะไม่จริงของพูดได้ก็คือตัวเรานี่แหละไม่จริงที่มันไม่จริงเพราะว่ามันปรุงแต่งมันมีการเกิดดับ มันไม่ได้เป็นอมตะเนาะมันมีการเขาเรียกว่ามันเป็นสังขารเกิดดับแต่ไอธรรมชาติที่รู้จริงอะมันไม่เป็นสังขารมันเป็นวิสังขารแล้วมันพ้นไปจากสังขารมันก็ได้แต่รู้เนี่ยถ้ารู้จักแบบเนี้ยต่อไปเนี่ยใครพูดเรื่องไอ้ใบเนี่ยมันจะเข้าใจหมดเพราะว่ามันรู้จักแล้วมันเห็นแล้วไงเห็นด้วยปัญญาแล้วโอเคไหมที่หลวงพ่อพูดแบบนี้พอเข้าใจไหมโอเคครับก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดมาเลยครับคือเมื่อเราก็ตามที่ผมเนี่ย ผมพยายามเพ่งมันอะ่ะมันก็จะกลายเป็นรู้เราเพราะเทอร์มันจิคาเป็นเรารู้ครับแต่ว่าเมืเ่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยไว้ให้เฉยอยู่ดีๆมันก็รู้เราอัตโนมัติแต่แต่ว่ารู้เราเนี่ยมันมันค่อนข้างที่แบบเขาเรียกว่าอะไรผมรู้สึกว่ามันจับสัญญาณได้ยากนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่ายังยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ใ น, ใ น, ใ, นในการปฏิบัติด้านนี้ครับก็ขเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดมานะครับ อ็ค่อยฟังไปเนาะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเอาตัวเราไปยุ่งไปหมดเลยอ่ะตัวเราเนี่ยจะยุ่งมากเลยจัดไปทําน่นทํานี่แต่รู้เรายัางไม่ชำนานก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดิ้นรนไปเรื่อยนะเราดิ้นรนไปเรื่อยแต่ถ้าเริ่มรู้จักสักครั้งหนึ่งแวบหนึ่งต่อมาเนี่ยมันก็ค่อยเหมือนกับว่ามันจะรู้แจ้งต่อเรามากขึ้นนะนะรู้แจ้งต่อเรามากขึ้นต่อไปเราพูดเราบนเราหาเราค้นเราคิด มันรู้เราหมดเลยแล้วก็มันจะเหมือนกับว่ามันมันเป็นคู่แฝดกับเราเนาะเราทําอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรเรามีความทุกข์เรามีความสุขมันรู้เราหมดเลยอะ่ะเราจะตายเนี่ยหายใจไม่ออกาบงางกับบางกับมันรู้หมดแหละแต่มันก็เป็นบใบอยู่นั่นอยู่ดีออืครับนมศาสการพระาจารย์ทั้งสองรูปครับไม่ไม่ได้คุยกับหลวงพ่อนานนะครับคจริงๆก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติก็ไม่ได้คิดว่าปฏิบัติจะไม่ปฏิบัตินะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่ก็คือทําให้รู้กับปัจจุบันเยอะๆะครับ ไม่เยอนี่ที่ไม่ ไ, มได้ไม่ได้วัดปริมาณอะไรนะครับหมายถึงว่าวันหนึ่งอาจจะแบบสมมุติว่าเราเร า, เราล้างจานเราทําอะไรอยู่อ่ะเราก็รู้ได้ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่เรารู้นะที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นเป็นจิตที่มารู้แต่จริงๆก็คือการอยู่กับปัจจุบันเช่นล้างจานแล้วก็ใช้ฟองน้ําล้างบีบบีบน้ำยาล้างจานใส่ฟองน้ำล้างฟองน้ําล้างน้ำเล่าหรือว่าจะนั่งจะกินจะนอนนะครับก็พยายามกลับมารู้ว่าณปัจจุบันเนี้ยนาวิ น, นาทีเนี้ยเราทําอะไรอยู่ แต่แต่มันก็ไม่ได้ตลอดเวลาล่ะครับมันก็อาจจะมีหลุดบ้างฟุ้งซ่านบ้างคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตบ้างแต่ก็ไม่สืเรียอกับมันเมื่อรู้ตัวก็ดึงกลับมาครับเมืม่อเมืม่อเหมือรอยก็ก็ปล่อยไปครับแล้วก็รู้ตัวก็ดึงกลับมาอีกทีนี้กิดพันมันก็ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้มันดีขึ้นได้พอสมควรนะครับเช่นแบบขับรถเราก็จะไม่ค่อยโกรธแหละเออใครมาขับเบียดเราขับมาแซงเราหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะไม่ค่อยโกรธกับมันแล้ะเราก็รู้สึกว่าก็ก็แท่นั้นครับก็ปล่อยไป แต่เรื่องครับที่ที่ที่ทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้มันคือการปฏิบัติไหมการเรียนรู้ไหมแต่ว่าให้การกลับมาสู่ปัจจุบันแล้วมาดูใจตัวเองอะไรเงี้ยมันมันทําให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับแต่ก็ก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่ซี้อเลยกับมันก็คือถ้ามันมือร้อยก็ดิงกลับมาอะไรประมาณนี้ครับครับผลวอครับก็ตรงที่เล่ามันก็ยังมีความเห็นผิดนะมีความยึดมั่นบางยังมีความยึดมั่นอยู่จะชี้ให้เห็นเนาะเช่นความโกรธความโกรธเนี่ยมันยึดมั่นว่า เราเป็นผู้โกรธเดี๋ยวนี้เราโกรธน้อยลงหรือเราอาจจะโกรธสั้นลงอะไรแล้วแต่จริงๆความโกรธเป็นสภาวะธรรมะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เนี่ยเข้าใจผิดเนี่ยก็ไปยึดความโกรธว่าเป็นเราพอยึดความโกรธว่าเป็นเราปับ๊บมันก็เวลาการสื่อสารเวลาการพูดซึ่งทาให้คนอื่นจับได้ก็คือว่าอ๋อผู้พูดยัง ไปยึดความโกรธว่าเป็นเราเช่นบอกว่าเราเนี่ยเร า, เราไม่ค่อยโกรธแล้ว <c oughs> ไม่ก่อนไ <c oughs> อตรงเนี้ถ้าถ้าหลวงพ่อยอมสติฟังเข้าใจนะอย่างน้อยมันก็เกิดปัญญาในขณะที่หลวงพ่อชี้บอกตรงนี้แหละว่าอ๋อนี่มันไปยึดความโกรธว่าเป็นเป็นเราหรือเป็นของเราเราโกรธน้อยลงแต่จริงอะ่ะการโกรธมันจะมากจะน้อยอ่ะนะมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีมันเป็นแค่สภาพธรรมะ ท, ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ตรงนี้โยมสติเข้าใจเนาะเป็นสภาพธรรมะ ท, ที่ตื้นซึ้งแค่ดับไปความโกรธไม่ใช่เราเนาะแต่เอาสมมติว่าพอหลุดมาจากความโกรธไม่ใช่เราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาติดคือจะมีเราในตรงผู้รู้ความโกรธอีกว่าอ่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าความโกรธไม่ใช่เราอ่าเห็นไหมก็ไปยึดความรู้ว่าเป็นเรารู้เรารู้ว่าความโกรธไม่ใช่เราใช่ไหมแต่จริงๆริงไอ้รู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีรู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเปนเป็นสภาพธรรมะ ที่มีการการเขาเรียกว่ามันมีการรับทราบเนี่ยรับทราบว่าโกรธมีอยู่ก็รู้โกรธไม่มีอยู่ก็รู้มันก็อาจจะเป็นวิญญาณ น, นักขันก็ได้แต่เราไปยึดวิญญาณขันซึ่งเขาเรียกว่าเป็นจิตรู้เนี่ยมาเป็นเรารู้อ๋อเรารู้แล้วว่าความโกรธไม่ใช่เราเห็นไหมเรารู้แล้วว่าความโกรธไม่ใช่เราอันนี้ก็เป็นความหลงอีกเป็นความหลงถ้าไม่มีคนมาชี้บอกเนี่ยมันยากมากที่จะเข้าใจได้ว่าหลง เพราะนั้นตรงนี้ก็หลวงพ่อก็ชี้อีกว่าใอ้ที่บอกว่ารู้แล้วก็ไม่ใช่เรารู้นะเป็นแค่สภาพธรรมะที่รู้ของเขาที่เขารู้ได้แต่ไม่ใช่เรารู้โอเคไหมตรงนี้ครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับเออเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาสองแค่อย่างแค่นี้ก่อนนอะเดี๋ยวคไปต่อทีละตัวทีละอย่างครับผม <S <S อ่าก็ขอเสริมนิดหนึ่งน้ำพระอาจารย์อ่าเมือ่อสักคู่นี้ก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่ชัดเจนเนาะ สิ่งที่ที่เห็นได้ยากก็คือช่วงขณะเดียวอันนี้พอช่วงไหนที่มันยืดเยื้อเป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะมีอ่าคําว่าเราตลอดเวลาร้วยอำนาจของความคุ้นเคยคําว่าเราเสมออี น, นี้คําว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็บอกให้อยู่ปัจจุบันขณะนะตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่ปัจจุบันขณะปัจจุบันนี้ะ่ะ เพียงแค่ทําให้จิตสงบแต่ว่ากิเลสหรือตัวอุปาทานนี่มันยังไม่สงบมันต้องใช้ปัญญาใช้ตาที่สามนะของใตาที่สามก็คือตาช่องว่างระหว่างการก็คือมรรยงคือทางสายกลางอ่าือไม่สุดตองไม่ส่วตองระหว่างผู้รู้กับผู้ถูกรู้แต่เมื่อใดที่เห็นผู้รู้ก็มีความไม่เที่ยง เป็นผู้รู้มีความเสื่อมลายเป็นผู้รู้บังคับมันทำไม่ได้แม้กระทั่งสภาวะเชิงตรรุ้ก็มีเหมือนกันเบื้องต้นของความไม่เที่ยงข้ากาของความเสื่อมสลายอันที่สุดคือบังคับมันทำไม่ได้ทั้งสองสิ่มีค่าเท่ากันมันก็อุประมาณปุปประมณเหมือนอเดิมทีจับเดิมทีพวกเราเนี่มาจากความว่างนะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาอาจารย์พอยก็ไม่มี มีแค่ดินนั่งลมใส่อาการย์ออดก็ไม่มีเป็นแค่บินนั่งลมใส่แต่เพียงแค่อาศัยสมมุติด้วยอํานาจของความอาวิชาหรือไม่รู้นะเนี่ยเพราะเราไม่รู้จึงมีเราะถ้าเรารู้แล้วมันก็จะไม่มีเราจากสิ่งที่ไม่มีอะไรสู่ความมีอะไรริจากสิ่งที่มีอะไรแล้วเนี่ยอเราเข้าสู่ความไม่มีอะไรเพราะเจ้าปุตตะเจ้าด้วยค้นพบความจริงประจําแจ้งก็คือธรรมะนะ ธรรมะนี่มาก่อนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ธรรมะแปลว่าสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่มีจริงไม่มีสิ่งที่มีจริงนั่นก็เรียกว่าจริงทั้งหมดหรือแปลกันง่ายธรรมะไม่มีธรรมะนั่นแหละก็เรียกว่าธรรมะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความความเงียบของจริงเงียบเป็นใบถ้าพูดแบบเซนก็เมื่อใดเธอเห็นว่าก้อนหินที่มาจากธรรมชาติมันพูดได้ เมื่อนั้นห็นก้อนนั้นก็แสดงว่าไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะตามจริงแล้วก้อนหินมันพูดไม่ได้แต่ถ้าก้อนหินมันพูดได้ว่าก้อนหินนี้มีชื่ออะไรหินแกลนิกหินอะไรมีแต่สมมุติมีแต่สังขารมีแต่กระบุกแต่งนั่นแหละอันนั้นการที่เราเห็นตรงนี้ได้มันต้องเห็นความเกิดดับเนาะเห็นความเกิดดับของปัจจุบันแต่ไม่ใช่เอาปัจจุบันเอาแต่ความสงบยึดปัจจุบันแต่ให้ ปัจจุบันเพียงแค่ทําให้จิตสงบเมื่อสงบแล้วให้สังเกตว่าปัจจุบันมันก็ดับนะอืมปัจจุบันมันก็ดับไอตัวผู้รู้มันก็ดับพร้อมกับปัจจุบันผู้รู้คือจิตก็ดับแล้วก็ไอสิ่งที่รู้ปัจจุบันก็ดับนั่นแหละที่พระอรหันต์กันว่าอากาลิโกคือไม่มีเวลาแล้วมันเมื่อปัจจุบันดับนะจะมีอนาคตได้อย่างไรเพราะปัจจุบันดับแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่หลงเกิด ไม่หลงเกิดในอนาคตไม่หลงเกิดในปัจจุบันไม่หลงเกิดในอดีตเราขอให้เราพยายามเห็นตรงนี้เป็นหลักผู้ใดที่เห็นตรงนี้ได้ก็ย่อมเป็นสิ่งที่มันง่ายสําหรับผู้ปฏิบัติแต่มันยากสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติมันมันง่ายเนาะมันง่ายสําหรับคนที่ปจัจจแจ้งความจริงแต่มันยากสําหรับคนที่ยังจดจําอยู่ก็จะมักมีคําถาม อย่งพระอาจารย์อ้อนั่นท่านหมดคําถามแล้วนะ่ะสภาวะเพียงแค่แวัดเดียวนะนะเหมือนท่านพระอนนทะ์นะพระอนนท์เป็นพระหูสูตรนะเป็นผู้ร่ำรู้นนะตากถาปะไตรปิอกมาได้ก็จะอาศัยความ จ, จําจากพระอนนท์พหูสูตรจะเชื่อไหมพวกเราทั้งหลายในขนาดนั้นที่พระอนนท์จาบรรลุทำเพียงแค่เอ็นตัวลงนอนอนะ่ะฉีกตําราหมดเลย เอาไหนเ น, นียอนนอใช้ไม่ได้เลยตลําราแต่อาศัยสภาวะเพียงแค่หนึ่งขณะเดียวที่จะเอนเอ น, นอนลงเนี่ยเห็นอิสระจากผู้กระทําแล้วถูกกระทําอะเพียงแค่ปัจจุบันขณะเนี่ยเนไอ้วเนี้เป็นสิ่งที่เห็นยากที่ไขรเขาเรียกว่าวินาทีทองสําหรับผู้ที่จะเข้าถึงตรงนี้แต่ถ้าพูดไปก็บางคนก็เข้าใจได้าบางคนก็ไม่เข้าใจก็ค่อยศึกษา อะก็อย่าไม่มีตัวตนเข้าไปกระทำเนอะอะถ้ามีตัวตนเข้าไปกระทํามันกอุปมาอุปไมยเหมือนตรแบใดถ้าเธอยังเป็นผู้ที่ยังปรุงแต่งมันก็ยากยิ่งนักที่เราจะเข้าถึงสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งแต่เมื่อใดเธอเป็นผู้ที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเธอก็สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ปรุงที่ไม่ปรุงแต่งด้วยคือนั่นแหละคือเนื้อแท้ของการปฏิบัติเราขออนุโมทน า, นาน ก, การน้ำมาสการหลวงพ่อนะครับดีใจที่ว่า ได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมในส่วนนี้ครับเพราะว่าต้องการพูดได้เลยว่าพวกเราทั้งหลายโชคดีก็คือว่าถ้าเราไปค้นหาไปสแสวงหาความรู้หรือสัจจะหรือความจริงนะครับไม่มีผู้ผู้มาชี้ไม่มีผู้มาบอกไม่มีผู้มาเตือนนะครับอีกนานเท่าไหร่อ่ะครับที่จะเจอความจริงหรือสิ่งที่กําลังมีจริงเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าไปอยู่ในโลกของตาําราก็จะตาก็จะจําไปด้วยคําศัพท์และวาลีมากมายหลายอย่างแต่ ตัวอย่างของการที่บอกว่าเออเรารู้สึกตัวเนี่ยครับก็ยังเป็นเราที่รู้สึกตัวหรือว่าวิธีการต่างๆนานาหลากหลายไม่ไว่าจะเป็นรู้ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นเรารู้แต่หลวงพ่อมาพูดคำหนึ่งว่าแล้วอะไรรู้ตรงนี้ครับทำให้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินหมดเลยครับเพราะว่าอยู่มาหลายปีไม่เคยมีใครพูดว่าไอเรานี่ครับเป็นฝ่ายที่ถูกรู้มีด้วยหรอครับถ้าถ้ามีแล้วคือมันมีได้อย่างไร ดังนั้นเนี่ยประโยชน์อยู่ตรงนี้ครับว่าท่านไม่ได้พูดเพื่อเล่นคําหรือพูดเพื่อเป็นวาทะหรือพูดเพื่ออะไรก็แล้วแต่แต่พูดเพื่อให้พวกเรารู้ว่ามันมีสภาวะหนึ่งซึ่งสามารถรู้ได้ว่าเรานี่ครับไม่มีซึ่งการพูดแบบนี้นะครับอุปมาเปรียบเทียบพูดยากมากเลยครับพูดว่าเราไม่มีเถียงกันตายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เรากําลังพูดอยู่ นี่เรากำลังเห็นอยู่นี่เรากำลังได้ยินอยู่แต่หลวงพ่อบอกว่าไม่มีเพราะเรานี้ที่พูดอยู่นี่ถูกรู้เสียแล้วถูกดูเสียแล้วถูกเห็นเสียแล้วดังนั้นคำพวกนี้นครับมันเป็นคำที่ครูบาอาจารย์พูดที่มีค่าอย่างยิ่งเลยว่าทำไมท่านจึงพูดว่าเราถูกรู้เสียแล้วเราถูกเห็นเสียแล้วซึ่งมันเหมือนกับว่าถ้า พวกเราได้มีโอกาสได้ไตร่ตรองก็ศึกษาคาพวกนี้ครับจะเป็นลายแทงชี้ไปให้เห็นความจริงว่าเราถูกรู้เราถูกดูเราถูกเห็นนี้เป็นไปได้ยังไงมีโอกาสเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอหรือว่าหลวงพ่อพูดไม่จริงหรือยังไงด้วยความเคารพหลวงพ่อครับก็เป็นอนุโมทนาที่ดีใจที่ได้มาอยู่กลุ่มนี้ครับกับขอบพระคุณครับก็สาธุนะทีนี้ช่วงท้ายช่วงท้ายนี้ช่วงท้ายนี้ก็ฝาก ก็แล้วกันเนาะโยมที่ได้เข้ามาฟังการชี้แนะชี้บอกนะก็ลองไปพิจารณาแล้วก็ลองไปหลวงพ่อใช้คาว่าไปทาก็ได้เอาไปทาไปทาจากที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไปทาดูแล้วก็มีโอกาสอย่างพรุ่งนี้ถ้าหลวงพ่อจัดอะไรหรือวันไหนก็นแล้วแต่ก็มาพูดคุยมาสนทนากันเพื่อจะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆ สมมติว่าโยมไปไปทํามาไปต่อกัรบ้านมาแล้วก็โยมเข้าใจว่ายังไงถ้าหลวงพ่อรู้ว่าอ๋อตรงนั้นโอเคเข้าใจถูกแล้วแต่ทีนี้ในเข้าใจถูกเนี่ยโอเคก็ถือว่าตรงนั้นก็คือผ่านแต่ก็ยังมีอีกที่ยังเข้าใจไม่ถูกตรงนั้นก็หลวงพ่อเขาจะต่อยอดให้ทีละเล็กทีละน้อยไปก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไวนะ้เนาะอย่าฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็ต้องไปทํานี่หลวงพ่อต้องใช้ภาษาสมมติ พอไปทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้เองว่าใครเป็นผู้ทำนี่ก็เรานั่นแหละก็กลายเป็นรู้เรานะเพราะนั้นเราก็ต้องไปทำก่อนเพื่อมันจะได้รู้เราแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเราไปนอนอย่างเดียวไม่รู้ไม่ชี้แล้วเอาก็กลายเป็นว่าไม่ได้รู้เรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นต้องต้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะรู้ผู้กระทำแล้วก็จะเข้าใจว่าผู้กระทำมันนั้นคือตัวสังขารคือเป็นสังขารไม่ใช่ตัวเรานะก็ฝากไว้ไปพิณานะ วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะขอยุติเพียงเท่านี้